และธรรมเทศนาลำดับที่สิบแปดโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่านับหนึ่งจากตัวเราวานันวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเมษาห้าสี่ทางอำเภอนายอำเภอและก็หัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีมาทำพิธีเมื่อวานมุดน้ำรำหัวพี่น้องประชาชนโอ้รู้สึกว่ามากมากกว่าทุกปีโดยป้ากมีแต่ชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านในถิน่นนายูงน้ำโสม แ, แถบนี้ดูแล้วก็ดีอบอุ่นอุ่นน้าฟ้าขั้งคนทางอื่นพี่น้องทางไกลมา กอดมาแบบฉาบฉวยนานๆนนจะได้มาทีแต่พี่น้องลูกหลานชาวบ้านของเราเนี่ยถึงอย่างไงอย่างไงมันก็ต้องได้มีอะไรก็จ้องเรียกหากันพึ่งพาอาศัยวัดวาศาสนาพี่น้องประชาชนบ้านใกล้เลือนเคียงเห็นบ้านใกล้เลือนเคียงให้ความสําคัญให้อบุญอย่างหลวงพ่อเห็น เจดีของคุณแม่ชีแก้วเหมือนกันหลวงพ่อเออเนี่ยนะลูกหลานให้ความสาคัญในเจดีของคุณแม่ชีแก้วในเขตสามอำเภอําเภอนิคมคำส้อยน้องสูงคำเชีีีถามีีีพวกเราให้ความสีีีให้ความรัร JD, ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี่ีีจีีีีีผีีีี่น JD. JD นีีีีันีนีีีีีีีน แต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ใกล้ไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสําคัญมีตะคนดังอื่นหลั่งไหลมากราบเดี๋ยวก็เจื อ, จ, อจางหายไปเรื่อยๆแต่พวกเราอย่งให้ความสําคัญมาคุณแม่เป็นบุคคลเช่นไรเพราะพวกเราได้เห็นในการปฏิบัติของท่านาคุณแม่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม ให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องลูกหลานมานมนานเมื่อลูกหลานเห็นความสําคัญลูกหลานก็มากราบมาไหว้มาขอสินขอพรจากคุณแม่ในท้องถิ่นนั้นๆในเมื่อคนในท้องถิ่นนั้นๆให้ความสําคัญคนถิ่นอื่นก็ให้ความสําคัญด้วยแต่ถ้าว่ามีแต่ให้คนถิ่นอื่นให้ความสําคัญ คนในท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญอันนั้นตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างนี้เมื่อวานหลวงพ่อเองก็เห็นผีน้องหลูกรานให้ความสำคัญในวัดวาศาสนาแต่ไม่ไม่ถึงกับให้ความสำคัญกับหลวงพ่อหรอกให้ความสำคัญต่อวัดวาศาสนาต่อครูบาอาจารย์ในท้องถิน่น หลวงพ่อเห็นแล้วก็เออลูกหลานทุกคู่ทุกคนทุกระดับรวมทั้งผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่ด้วยเห็นแล้วก็ใครเขาว่ามีความพร้อมเพียงสามคัคคีชนในกลุ่มมีอะไรเราเรียกหาหรือว่าพูดจาพาทีก็จะไปในทางที่ดีได้เพราะ มีความเข้าใจกันไปในทางแนวแถวเดียวกันแต่หลวงพ่อก็ให้อววาสเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันให้รักกันเหมือนพี่น้องอย่าไดเอารัดเอาเปรียบกันสิ่งที่มันไม่ดีอย่านำเข้ามาสู่ชุมชนสังคมของพวกเราหลวงพ่อเป็นห่วงนะสิ่งที่มันไม่ดีคืออะไร อบา ย, ยมุกอบา ย, ยมุกทุกอย่างทางว่าเอานําอบา ย, ยมุกเข้ามาสู่ชุมชนอันนั้นแปลว่านําสิ่งหายนะเข้ามาในชุมชนของเรามีแต่ความจีหายอบา ย, ยมุกก็คืออะไรเดิมน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่ น, เ ล, นเล่นการพนันคบคนชัว่วเป็นมิตรเกียดติค้านทําการงาน อันนี้ก็คืออบายมุขในหลักของพระพุทธศาสนาจากนั่นกับพวกนำดื่มน้าเมาเกิดขึนะ้นประเภทเมามินเมาทั้งหลายยาบ้ายามาคัญชายาฟินเฮโรอีนอะไรที่เป็นของมินเมาทําเสพเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วทําให้สมองปันป่นป่วนเสียศูนย์ขาดสตินั่นแหละถ้ามนโคนขาดสติแล้วเป็นยังไง ถ้าคนในกลุ่มของเราขาดเจติมากๆเ อ, อมีบ้านละเก้าคนสิบคนอย่างเนี้ยในหมู่บ้านนั้นๆมันก็เป็นที่ระแวงเ อ, อวาดพหวหาของชุมชนเหมือนกันเอเพราะเหตุลายเพราะมันกินยาบ้าแล้วมันขาดเจติไม่รู้จะทําร้ายทําลายใครเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็สิ่งหายนะออสิ่งหายนะ อย่านำเข้ามาสู่ชุมชนของพวกเราแต่พวกเราช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันปกป้องช่วยกันแนะนำสั่งสอนลูกหลานลูกหลานของเราก็มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีชุมชนก็ร่มเย็นเป็นจุกทวนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเราออกนอกลู่นอกทางแล้วนั่นแหละเดือดร้อนวุ่นวายทุกหัวละแหง่ง หลวงพ่อได้ให้โอวาทแก่ลูกหลานาาศรัทธาญาติโยม<อ>การทำความดีการทำความดีเราจะทำยังไงอยากจะให้คนอื่นทำอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นก็ใช่อยากจะให้พวกสุมชนสังคมเป็นคนดีแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้ชุมชนเป็นคนดี เราต้องทำดีก่อนเราต้องนับหนึ่งจากเรานับหนึ่งจากข้าพเจ้าอยากหลวงพ่ออินเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหามีคุณภาพมีคุณธรรม ม, ม, รรรมีมีศีลธรรมมีจริยธรรมเป็นพระที่ดีเนเนที่ดีเป็นคนที่ดีลูกศิษย์ลูกหาที่ดีหลวงพ่ออินต้องทำดีคิดดีทำดีพูดดี ให้แก่ลูกหลานผู้เกี่ยวข้องให้เห็นเนี่ยต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้าถ้าทุกคนนับหนึ่งอยากจะให้ลูกตัวเองดีข้าพเจ้าก็ต้องทําดีให้ลูกหลานดูนับหนึ่งจากข้าพเจ้าต่างคนต่างนับหนึ่งออกจากตัวเองแล้วหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกสองก็เป็นสบวกไปเรื่อยเท่าไห รวมแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆล้วนแล้วจะเป็นคนดีแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ชี้นิ้วออกไปข้างนอกคนนั้นน่าจะดีคนนี่น่าจะดีตัวเองนี่กินเหล้าหัวลาน้ําเล่นการบอลองพนันสิ่งไหนที่มันชั่วช้าลามกทําหมดแล้วมันจะดีได้อย่างไรเพราะตัวเองก็ชั่วอยู่แล้วอยากจะให้แต่คนอื่นดีสิ่งเหล่านี้ทําคําสอนของพระพุทธศาสนา ทำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้โอปัญญโกโอปัญญโกให้มองตอนเองเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าว่าตัวเองดีแล้วยังค่อยบอกคนอื่นอันนั้นประเสริฐอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมาท่านต้องฝึกท่านก่อนท่านต้องฝึกฝนพระองค์ก่อนท่านจึงมาสอนคู่คนทั้งหลาย ได้ตัดสู้พระอนุตร ا สัมมาสัมโพธิญาณก่อนจากนั้นท่านจึงในนำทมคำสอนออกมาประกาศมาเผยแร่อันนั้นคือเหมือนกับว่าท่านขึ้นไปยืนอยู่บนบกแล้วเป็นที่ปลอดภัยแล้วถึงยังไงยังไงท่านไม่ตกน้ำอีกแล้วถ้าเห็นคนตกน้ำท่านก็ยื่นเชือกลงไปจะช่วยอะไรได้ท่านก็ช่วย แต่แต่ตัวท่านอยู่บนฝั่งติดเป็นที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซแต่ถ้าว่าพวกเรายังว่ายน้ำยังเห็นคนอื่นว่ายน้ำตัวเองก็ยังไม่พ้นน้ำน ไ, ปไปไปช่วยเขาเขาเพอเพอกั ก, กอดคอกันตายในน้ำอีกต่างหากหรือไปอยู่ในเขตอันตรายอยู่ในไฟก็ตามอยู่ในเขตอันตรายไหนก็ตามถ้าตัวเองยังไม่ปลอดภัยไปช่วยคนอื่น คนอื่นก็ลากตัวเองลงไปผมแลสฉุกเงงไปตายด้วยกันสิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนสอนสาธารณศิษย์สอนพวกเราท่านทั้งหลายให้มองตนเองให้ดูตนเองให้ทําตัวเองให้ดีที่สุดแล้วจึงค่อยบอกกล่าวหรือว่าเป็นตัวอย่างเหมือนกับเราเรียนกอไก่เราเรียนกอไก่ถึงหอนกฮูกเราเรียนได้และจําได้ เราที่จะสอนผู้ที่เขาไม่รู้ถึงจะอายุมากขนาดไหนก็เถอะขาไม่รู้เราก็ต้องฝึกหัดให้เขาเรียนกอไก่ว่าอย่างนี้นะคุณตานะคุณปูนะกอไก่นะเขียนเขียนอย่างนี้นะกอไก่ถึงเราจะเป็นเด็กเราก็ช่วยเขบอกสอนเมื่อกอไก่เสร็จแล้วเราก็เขียนต่อไปเรื่อยๆจากนั้นก็ผสมสราระเข้าไปแล้วก็บอกความหมายเขาด้วยนะนีอันนี้ก็คือ เรารู้ในระดับไหนเราก็สอนบอกกล่าวขันเขาให้รู้การรู้แล้วก่อนอ่านหนังสือออกเป็นยังไงเมื่ออ่านหนังสือออกแล้วเราอยู่ด้วยกันเขาเขียนหนังสือไปให้ใครๆก็อ่านหนังสือออกเขียนป้ายขึ้นมาบอกอะไรอย่าไปตรงนั้นนะอย่าเข้าไปตรงนี้นะอย่างนี้ใครๆก็อ่านออกก็เห็นเลย เพราะต่างคนต่างได้ศึกษาเนี่ยแต่ถ้าว่าเรารู้แต่คนเดียวเรารู้แต่คนเดียวตัวหนังสือแต่คนอื่นไม่รู้นะ่ะถึงเราจะเขียนให้ก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเขียนให้คนตาบอดดูนี่แหละอันนี้คือคำทำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ ค, คือส่วนหนึ่งเรารู้ในระดับไหนเราก็สอนตามที่เรารู้เราเห็นอย่างที่ว่าเออศินห้านะ มีคุณค่านะเราพิจารณาดูซิชี้แจงให้ฟังเรื่องสินห้าคืออะไรให้ทานนะคนที่ไม่มีทานคนขี้ตนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันใครอยู่กับพี่น้องได้ไหมดูซิคิดดูซิทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรแต่โดยมากมันฝืนฝืนจิตใจของฝืนใจของกิเลสทั้งนั้นอฝืนใจของกิเลส ทำคำสอนของพระพุทธเจ้ากิเลสของเราเนะี่ยชอบไปทางหนึ่งแต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยฝืนไปทางหนึ่งเนีพราะนั้นท่านจึงเมื่อได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพนท่านตัดสรู้แล้วโอ้ทำที่เราได้ตัดสรู้เนี่ยเราทําที่เรารู้แล้วเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมาก เป็นธรรมะที่ทวนกระแสโลกแต่โลกเขาชอบไปทางหนึ่งแต่ธรรมของที่เราได้ตัดสู้เนี่ยมันทวนอี ก, กทวนกระแสเหมือนการทวนกระแสน้ําอย่างนั้นนะเราจะไปสอนเขาได้อย่างไรทอประเทศไทยคืออ่อนอกอ่อนใจว่างั้นแต่เออพอโลกมันไปทางหนึ่งธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอีกทางหนึ่งมันทวนมันทวนน้ําเราจะสอนเขาได้หรือ คนทั้งโลกมันไปอีกไปตามกระแสน้ำแต่ธรรมที่เราได้ตัดรู้เนี่ยทวนกระแสน้ำแต่ท่านก็มาพิจารณากันกรองไ ต, ต่ตรองอยู่เออเราก็เป็นคนคนหนึ่งผู้มีอุปนิสัยที่จะฟังธรรมของเราเนี่ยคงไม่อยู่จากนั้นท่านจึงได้มีเมตตาได้บอกพรมมาจโรกาน่ยท่านจึงได้ตัดสินพระไยัย มาประกาศเผยแพร่เอาธรรมะมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยแหละแต่นี้ทวนกระแสะนั้นทวนยังไงพวกเราก็คงอยากจะรู้ว่าธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทวนกระแ ส, ะ น, น, น, ะสะนั้นทวนอย่างไรการทวนให้เห็นชัดๆบอกให้เห็นชัดๆคือเพื่เพราะพระพุทธเจ้าว่าร่างกายของเราเนี่ยนะโลกทั้งโลกขบอกร่างกายเนี่ของเสร็จสวยงดงามน่ารักให้ชอบใจน่ากำหนัดกินดี ร่างกายของมนุษย์ชาติไม่ว่าหญิงชายแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเออร่างกายนี่เป็นอสุภะนะปฏิกูลนะไม่ใช่ของจิรังถาวรนะเห็นไม้จุดไหนที่มันสวยเสร็จสวยงดงามดูสิดูตามความเป็นจริงสินี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังนี่เอ็นนี่กระดูกเจือในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายตัวไหน เป็นที่น่ารักใครชอบใจเื้ยใจอะไรนี่แล้วมันทวนกระแสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเอาอย่างนี้ไปสอนโลกเฮอะมันกกขวางเลถ้าคนไม่ถ้าไม่รบถ้าคนไม่ชอบอรับความตามเป็นจริงถ้าผู้ที่รับยอมรับตามความเป็นจริงแล้วยอมรับได้ออืพระพุทธเจ้าพูดถูกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนคนทั้งหลายก็คงจะหลงไปตามกระแส แต่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านให้ทวนกระแสอื้อใช่ทุกอันไหนคือของจิรังถาวร อ, อันไหนคือของเสร็จสวยงดงามอันไหนเป็นของเที่ทยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องแต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟมีแต่กระดูกเท่านั้นเองอันไหนคือของที่เสร็จสวยงดงามมันจริงไหมที่มันเสร็จสวยงดงามเพราะเราตกแต่งเราเปปั้น ขึ้นมาท่านเองมันจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหละอันนี้แหะคือคําว่าที่พระพุทธเจ้าว่าทวนกระแสรหรือตามกระแสตามกระแสก็คือตามกระแสของโลกโลกเขาคิดอย่างนั้นแต่ธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอีกอย่างนี้แต่ทีนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมเราเข้ามาศึกษาในจุดนี้อย่างเราเป็นพระอย่างนี้นหรือว่าญาติโยมก็ดี ที่มาศึกษาในถักหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้อันดับแรกเราต้องทําใจเป็นกลางก่อนเออเราทําใจให้เป็นกลางซะก่อนอ ย, อย่าไปทางนู้นอย่าไปทางนี้ทําใจให้เป็นกลางเมื่อเราทําใจใเป็นกลางเร า, าเราศึกษาเเราศึกษาพอศึกษาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันของจริง จะทำยังไงอันนี้ไฟนะร้อนนะเราจับมันกร้อนจริงๆอันนี้น้ํานะเย็นนะเราก็ดื่มเข้าไปก็เย็นจริงๆอันนี้เผ็ดนะเค็มนะสอนอยังไงมันก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในเมื่อเราได้สัมผัสตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็เชื่อเลยสัตธาคือความเชื่อมันมาเองเท่นี่พราะเห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆเท่นี่ลึกเข้าไปสู่จิตใจ ที่เราลุ่มหลงโัวเมาเพราะอะไรใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจแต่นี่เรามาทําจิตใจให้สงบมาค้นคว้าถึงด้านจิตใจแล้วเทนี้ไม่ให้เชื่ออย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะก็ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าทําไมไปค้นคว้าศึกษาได้ยังไงที่นํำทำความสอนมาประกาศมาเผยแพร่ได้อย่างนี้เนี่ยยกมือไหว้พระพุทธเจ้าถึงจะอยู่คนเดียวกราบแล้วกาบอีก กาปุกพุทธเจ้าเหตุอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนในทางที่ถูกต้องไม่ให้โลกโลกทั้งโลกลุม่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่ในวัตตะสงสารเถอดนะถอนนะคลายนะย่ายึดมัน่นถือมั่นนะนี่แหละมันเป็นลําดับลําดับลําดับขึ้นมาเหมือนกันนะธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของปุกพุทธเจ้าเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่สายตั้งแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มัน่น หลวงปู่ต่างๆที่ท่านยอมเสียสละทีแรกท่านก็ได้รับความสัมผัสทางจิตเข้าสู่ความสงบก่อนเมื่อรักษาศีลแล้วภาวนาและจิตเข้าสู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสงบพิจารณานิพิจารณาเดินทางวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาพอเดินไปแล้วจะนิ น, นั่นแหละโอ้ถอยหลังไม่ได้จากนั้นท่านเสียสละกระทั่งชีวิตเข้าสู่ปาโรงพงไพ ป่าช้างโรงเสืองูอสรพิษทุกอย่างท่านเข้าไปอยู่ในป่ารงพงไพรสมัยก่อนไข้มาลาเรียเท่าไหร่ตายไม่รู้เท่าไหร่ท่านก็ไม่ย่อท้อท่านก็ไปภาวนาของท่านดูจิตใจของท่านนี่แหะจนเชื่อมั่นได้อัดได้ทำในป่าโรงพงไพรนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่นะอสู้นะกับช้างกับเสือ กับผีกับอะไรทุกอย่างความกลัวความอะไรสู้ทุกอย่างทุกรูปแบบอันนั้นคือแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่มาถึงยุคของพวกเราเนี่ยไม่มีอะไรจะกลัวก็กลัวจริงจกกลัวตุกแกกลัวคางคกบังกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวผีเป็นพื้นฐานเยอะแล้วแหลอมันกลัวไปหมดเพราะเหตะไรมันไม่มีอันจะกลัวแต่ก่อนมีแต่กลัวช่างกลัวเสือ กัวอะไรที่มันจะมาทําร้ายทาลายอันนี้กลัวอะไรก็ไม่รู้เลยลุกสิทธิ์ลูกหาดหลวงปู่หลวงตารุ่นหลังๆหลวงพ่อเห็นกันหลวงพ่อก็นึกขำเหมือนกันนะออกลัวกระตุกแก่แก่มันเรื่องของตุกแก่แล้วจะทํายังไงมันเกิดมาในโลกมันก็คงไม่อยากจะมาเกิดเป็นตุกแก่หรอกแต่มันก็อยากจะเกิดเป็นพวกเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเอมันเกิดมาหนึ่นเนี่ย มันไม่อยากเกิดเป็นเชนีหรอกร้องโอ๊โอกา ๆ, ๆีมันจะจะมาเกิดเป็นคนเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ทำยังไงกรรมของมันพาไปเกิดมันก็ต้องได้เกิดใช้กรรมของมันสรรพสัตว์ทั้งหลายใช้กรรมของแต่ละคนเราจะไปกลัวกรรมของเขาเออผู้ค่าจะเป็นคนดีเนอะจะไม่ทำสิ่งที่มันเลวๆแตอข้าจะไม่ได้มาเกิดเป็นจริงจกตุกแก่คางคกอย่างนี้ ผู้ศูนย์เจ้าทั้งหลายเนี่ยทําความชั่วมันจะมาเกิดเป็นจริงจกตุกแก่คางคกอย่างเนี้ยอ่ไปเกิดเป็นชนีนีเป็นลิงอย่างนั้น่ะพอเหตุอะไรเพราะทำความชั่ว เ, เพราะนั้นพวกเราให้ดูตัวเองนะอตอนนี้ไปรับพรอนุ โ, นโมทนาให้พร